ต้องไปเปลี่ยนโลกนี้ไม่ต้องไปเปลี่ยนใครทั้งนั้นเปลี่ยนเราก่อนเพราะเราเปลี่ยนคนอื่นเปลี่ยนไม่ได้ถ้าเขายังไม่ตื่นเขายังไม่สมัครใจเขายังไม่เห็นคุณหมออมารามาลีลา เราจะมีประเด็นอะไรที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนแบ่งปันให้กับเพื่อนพ้องพี่น้องคุณธรรมของเราดีคะคุณหมอครับก็จะเรียกว่าประเด็นใหม่ก็ใหม่เป็นประเด็นเก่าก็กเป็นประเด็นเดิมๆก็คือคเรื่องของการทํายังไงจะมีความสุขทำยังไงละทุกเนี่ยนะะค่ะแล้ววิธีการของเราก็จะต้องมาลงเอยด้วยการฝึกจิตฝึกใจของเรานี่อันนี้ก็เรียกว่าเป็นของเก่านะเป็นเรื่องเก่าแต่ว่าปัญหา ก็เป็นคนถามใหม่นะ่ะค่ะได้ยินว่าไปพูดที่คณะทันตแพทย์จุฬาเวลาไปเจอน้องๆกลุ่มนักศึกษาเนี่ยคุณหมอมีความรู้สึกเหมือนกับดิฉันหรือเปล่าไม่ทราบนะคะว่าวิธีคิดหรือว่าคําถามที่เขาถามเนี่ยก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งไม่เหมือนกับคนทํางานที่เราไปเจอๆกันนะคะไม่ทรา บ, รบของคุณหมอเป็นยังไงบ้างก็เป็นอย่างที่ว่าแหละครับเพราะว่าผู้รู้ก็กล่าวไว้นะครับค่ะ คนที่เป็นอะไรอยู่ก็ทุกข์เพราะนั้นนะฮะเป็นวัยรุ่นก็ทุกแบบวัยรุ่นค่ะเป็นนักศึกษาแพทย์ก็ทุกแบบนักศึกษาแพทย์คอภัยนะคะคือบางทีอาจารย์แพทย์ก็ทุกแบบอาจารย์แพทย์ไม่เคยเป็นนักศึกษาแพทย์นะคะนักศึกษาแพทย์ก็ทุกแบบไหนค่ะก็ทุกแบบนักศึกษาเคยได้ยินรูปแบบของความทุกข์ของตัวเองเคยได้ยินว่ามีนักศึกษาคณะสาธารแพทย์แห่งหนึ่งเครียดมากค่ะจนต้องฆ่าตัวตายเลยค่ะแสดงว่าเรียนหมอนี่เครียดจริงใช่ไหมคะก็คงจะมีความเครียดอยู่ระดับหนึ่งนะครับ แต่ทีนี้ที่คณะธรรมดแพทย์นี่ที่ไปบรรยายนี่ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่ทํางานแล้วออเป็นรนะ ด, ดับผู้ที่ปฏิบัติงานแล้วมีนักศรรึกษาเข้าฟังบ้างไม่มากประมาณสักห้าคนเจ็ดคนที่เหลือก็จะเป็นอาจารย์แพทย์คณะเจ้าหน้าที่ที่ทํางานอยู่ในคณะแพทย์น่ะนะครับค่ะทุกแบบของเขาเองในรูปแบบของคนทํางานในรูปแบบของคนมีครอบครัวนะ ค, ค่ะลองเล่า<ด>สู่กันฟังในเรื่องของบรรยากาศวันนั้นสักนิดนึงว่าเป็นอย่างไรบ้างค่ะ ครก็ที่มาที่ไปที่เกิดโครงการนี้เกิดขึ้นก็เพราะว่าขณะนี้ที่คณะทันตแพทย์จุฬาเนี่ยก็มีชื่อโครงการโครงการหนึ่งชื่อโรงเรียนทันตแพทย์จุฬาสร้างสุขก็ได้รับงบสสมาโครงการนี้เกิดขึ้นเพราะว่าในแง่ของการสร้างสุขเนี่ยก็คงจะไม่พ้นเรื่องของการที่เราต้องสุขที่ใจค่ะเพราะว่า คนที่ทํางานในเมืองหรือว่าเป็นผู้ที่มีระดับการศึกษามีการทํางานขนาดนี้เนี่ยค่ะผมเข้าใจว่าสุขทางกายนี่เพียงพอต้อง บ, บอกว่าเกินพอด้วยค่ะครับสําหรับชีวิตทุกวันนี้นะคะครับค่ะมีอย่างเพียงพอสิ่งที่ยังขาดอยู่ก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นความบกพร่องทางจิตหรือว่าความสุขทางใจเนี่ยครับแล้วแลดูเหมือนว่าจะเป็นอะไรที่ผกผันกันด้วยนะคะครับจำได้สมัยเด็กๆ ชีวิตแวดล้อมเนี่ยจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกน้อยกว่าทุกวันนี้เยอะมากครับนะคะแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยมีอย่างที่คุณหมอว่าเพียงพอแต่ดิฉันเองกับมองว่าเกินพอนะคะคแต่กลับมองแล้วคนรอบตัวของเราทุกเยอะขึ้นนะคะในภาวะที่มีสิ่งตอบสนองความสะดวกสบายในการดําเนินชีวิตเยอะขึ้นเนี่ยคนกลับทุกมากขึ้นและจะผกผันกันชอบคนคบทําไงดีคะเนี่ยก็เข้าข่ายที่เรียกว่าเหมือนกับเขาให้ว่า เหมือนยิ่งสูงก็ยิ่งหนาวฮะฮยิ่งสูงก็ยิ่งหนาวก็คือว่ามีฐานะที่สุขสบายมากขึ้นมีความเจริญก้าวหน้าในทางโลกมีความครั่งพร้อมแต่ว่าในแง่ของภายในแล้วเนี่ยก็จะเกิดเ ค, คว้งขว้างอ้างว้างรวมทั้งสภาพปัญหาที่พบเห็นอยู่หรือว่าเผชิญหน้าอยู่เนี่ยจากสัคงคมเมืองเนี่ยก็พึ่งจริงอาศัยมันได้ยากคนเราต้องการความสุขคือมีความพร่องอยู่ในใจของตัวเอง ก็อยากจะเติมเต็มจากบุคคลข้างนอกใช่ไมคจากเพื่อนสูงจากที่ทำงานจากสังคมแต่ปรากฏว่าจากสิ่งเหล่านั้นเนี่ยกลางคนต่างคล่องมาเจอกันนะฮะ <ừ> มันเลยกระท่องกระแพ่งหนักขึ้นไปอีก <c oughs> ก็คือว่ามีแต่ความที่เรียกว่าพึ่งพิงไม่ได้จุดนี้เองก็เลยเข้าใจว่าทางคณะบุคลากรเนี่ยซึ่ง จริงๆแล้วก็คือบุคคลระดับนี้เนี่ยจะเป็นบุคคลที่เรียกว่าเป็นปัญญาชนเนี่ยมีความคิดมีความรู้สึกแล้วก็ส่วนหนึ่งผมก็เข้าใจว่ามองเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยหรือว่ารู้ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่สาระที่แท้จริงของชีวิตแต่บางทีกลับเป็นผู้ได้อโอกาสนะครัพี่ีหน้าค่ะผู้ที่ทํางานสูงๆหรือว่าเรียนสูงๆแล้วก็ทํางานอยู่ในศูนย์การศึกษาเนี่ยจะเป็นผู้ขาดการศึกษา <Wow. S 2> หรือว่าเป็นผู้ด้อยการศึกษาไปโดยอัตโนมัติฟังแล้วเศร้าใจจังครับคือในที่นี้ไม่ได้พูดถึงคณะจันทแพทยศาสตร์จุฬานะพูดถึงตัวทั่วไปรวม น, นะคะการที่เรามีการศึกษาในทางโลกมากหรือว่าอยู่กับสภาวะที่เรียกว่ายิ่งเรียนสูงมากเท่าไหร่เนี่ยกลเป็นผู้ด้อยการศึกษาในที่นี้คือว่าด้อยการศึกษาตัวเองด้วยการที่ยิ่งเรียนสูงมากมีที่ถีมานะมากก็เลยตัวตนมาปิด ปูปิดตาตัวเองขาดการที่จะเปิดใจรับฟังจากสิ่งข้างนอกนะสิ่งที่มันดีงามมากกว่าการที่เราภาคภูมิใจอยู่กับตำแหน่งหน้าที่การงานหรือว่าข้าวของเงินทองที่เรามีอยู่สังเกตคําถามนะครับพี่จีน่ะก็คือเมื่อทํางานไประดับหนึ่งมีการแต่งงานมีครอบครัวก็ต้องมีลูกค่ะสมัยที่มีลูกขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นเจเนเรชั่นหรือว่าเป็น คนรุ่นที่เรียกว่ามีความพร้อมในเขาทุกอย่างแล้วประเภทเรียกว่าไม่ต้องขวนขวายดิ้นรนนะฮะพ่อแม่สั่งสมเรียกว่าเตรียมการไว้ให้พร้อมก็จะจะภาพปัญหานี้ว่าลูกไม่ค่อยรับผิดชอบมีความขี้เกียจนะไม่ค่อยมีวินัยคล้ายๆว่าไม่ค่อยมีน้ําใจคนี่คือสภาพเด็กเรียกว่าอนุชนรุ่นหลังๆมานี่ที่จะสร้างปัญหาในอนาคต น, นะครับ คือเป็นเด็กที่ไม่ค่อยมีวินยัยนะไม่สู้ชีวิตนะไม่ค่อยมีความอดทนอดกลั้นแลดูแล้วกลายเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพน้อยไปเลยนะคะครับคือลักษณะ น, นี้ก็คือว่าอนาคตก็อันตรายอ่ะครับคเพราะว่าเราไม่ได้ฝึกปือไม่ได้ที่แน่ไม่ได้สร้างเหตุขัใจในการที่จะหล่อหลอมเขาให้เป็นคนที่มีศักยภาพอย่างเต็มที่ ถ้ า, า จ, จะมีสติปัญญาดีนะคือสติปัญญาทางโลกดีมีความจาดีมีสิ่งแวดล้อมที่ดีแต่ว่าเขาจะขาดความเข้มแข็งขาดความอดทนตรงนี้แล้วก็อีกอันหนึ่งที่ผมเห็นว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับสังคมของเราก็าคือการมีน้ําใจลักษณะของการมีน้ําใจเนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้นะถ้าเกิดว่าคนคนนั้นเนี่ยไม่ผ่านความยากลำบากของชีวิตอันนี้เป็นไฟไล์บังคับเลยใช่ไหมคะครับผมสังเกตว่าเป็นอย่างนั้นนะ ถ้าเกิดว่าคนเราจะมีน้ำใจก็คือว่าเคยตกทุกข์ได้ยากเคยลำบากเขาจะรับรู้รสชาติของความลำบากทำให้เขาไม่อยากหรือว่าเห็นว่าคนอื่นก็มีความลำบากมีความทุกข์เนี่ยเขาจะหยิบยื่นน้ำใจให้โดยที่เรียกว่าไม่ต้องร้องขอนะฮะโบราณของเราเนี่ยมีคำอยู่คำหนึ่งไพเราะมากเลยค่ะคุณหมอเขาใช้คำว่าเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ไม่ได้แปลว่าเข้าไปเห็นตัวอกตัวใจจริงๆนะคะคแต่หปถึงว่าเราเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นแล้วก็ยินดีพร้อมใจที่จะให้ความช่วยเหลือตามควนครนะคะคซึ่งตรงนี้เนี่ยแมอยากจะบอกจริงๆว่าเป็นสิ่งที่แห้งแล้งมากๆเลยในสังคมทุกวันนี้นะคะ ค, คนเนี่ย ค, คิดแต่ว่าจะต้องได้มากๆได้เยอะๆได้เปรียบคนอื่นถึงจะดีถ้าคิดอย่างนี้นี่ โอ้ยเราจะมีความสุขได้ยังไงล่ะคะก็จะมีคําถามนี้ถามมาว่าเราควรจะทํำยังไงดีพ่อแม่ส่วนหนึ่งก็คือไม่รู้จะจัดการกับลูกประเภทนี้ยังไงทั้งๆที่คนระดับนี้ก็มีการศึกษานะจบสถาบันชั้นสูงมีการศึกษาเป็นอาจารย์จบปริญญาตรีปริญญาโทกันทั้งนั้นแต่ไม่มีปัญญาในการจัดการกับลูกอันที่หนึ่งอันที่สองคือมีความทุกข์กับการที่จะไปจัดการกับเขาแล้วคุณหมอแนะนําเขาไปยังไงล่ะคะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็ได้คุยในลักษณะที่เรียกว่าผมเชื่อว่าคนระดับนี้เนี่ยเป็นคนที่มีการศึกษาค่ะตำรับตาราต่างๆที่เขาจะหาอ่านมาจัดการกับลูกของตัวเองเนี่ยผมเข้าใจว่าเขาอ่านมาหมดแล้วค่ะแต่ว่าผมก็เชื่ออีกเช่นเดียวกันว่าจัดการไม่ได้อ้าวไนเป็นงั้แล้วคะเพราะว่าลักษณะของการอ่านภายนอกเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการใช้จิตวิทยานะลักษณะของการใช้จิตวิทยาหรือว่าแม้แต่ว่า เรื่องของการที่จะไปพยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเขาหรือว่าพยายามคิดวางใจของเราเองอะไรต่างๆเนี้ยค่ะซึ่งมันยังไม่ใช่เป็นการแก้ไขปัญหาที่มันถูกจุดค่ะอย่างที่บี้ศีน่ากลิ่นข้อความน้ําหน้าของอาจารย์หมออมารานะครับค่ะก็คือว่าพ่อแม่มักจะพยายามแก้ไขลูกนะหรืออยากให้เป็นอย่างที่เราต้องการาาคร่ะเรามักจะมีกรอบของเราค่ะ นะว่าลูกของเราเนี่ยต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้อย่างที่เราวาดหวังไว <c oughs> นะ้เราไม่คิดว่าเขาจะเป็นอย่างของเขามั่งก็ไม่ได้ แ, แน่นอนี่ยต้องเป็นอย่างที่เราต้องการออื <c oughs> นะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือว่าพอไม่เป็นอย่างที่เราต้องการก็จะทุกข์ <c oughs> ผมก็เลยคุยเป็นลักษณะที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสูตรสําเร็จในการเลี้ยงลูกเนี่ยมันไม่มีหรอก <c oughs> ไม่มีนะคะหรือว่าสูตรในการเลี้ยงลูกเนี่ยเราต้องประชิญหน้าแล้วก็ต้องเรียกว่าใช้ ควาสามารถเฉพาตัวของเราการจัดการเราเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตัวการที่สําคัญที่สุดเลยก็คือว่าเราทํายังไงที่ใจเราจะไม่ทุกกับความเป็นไปของลูกเราตรงนี้สําคัญที่สุดเพราะว่าสิ่งที่แก้ไขเนี่ยมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมันเป็นเรื่องของจิตใจมันเป็นเรื่องของการใช้ความภาคเพียรพยายามทำซ้ํา้ำซากๆเคยได้ยินไหมครัพ่อแม่เนี่ยก็บอกว่าพูดทําซ้ํำซากๆเหว้ยถ้าพูดมากแล้วต่ากจะฉีดถึงหูเวย ใช่คะ่ะเคยได้ยินบ่อยน่าลสกาติของความเป็นพ่อเป็นแม่จะเป็นอย่างนั้นนะครพูดมากปาก็ฉีกถึงหูอยู่แล้วเนี่ยไม่รู้จักจําอะไรต่างๆเนี่ยนะค่ะแต่ทีนี้ทํำยังไงใจลึงจะไม่ทุกข์เนี่ยตรงนี้เป็นฐานที่สําคัญที่สุดค่ะของชีวิตของความเป็นพ่อเป็นแมน่เรามีความรู้พร้อมเพรียงมีความรู้ทามตําลักตำรามีความรู้ทางโลกดีพร้อมแต่จัดการกับความรู้สึกภายในใจของตัวเองไม่ได้ะเวลาลูกทําอะไรที่ ไม่สบอารมณ์ของตัวเองเนี่ยเราก็หงุดหงิดนำคัญรู้สึกไม่พอใจะนะบางทีทําไปมากๆเขารู้สึกท้อแท้นะปล่อยมันทิ้งไปเลยพอปล่อยมันทิ้งไปเลยก็ปล่อยไม่ได้ทนความรู้สึกที่บีบคั้นว่าลูกเราไม่ได้<ะ>ก็ต้องกลับมาไล่บี้เขาต่อไปอีกฉั้นตัวการปัญหาที่สําคัญที่สุดที่คุยกันก็คือว่าต้องมาจัดการกับใจตัวเองให้ดีก่อนนะเมื่อจัดการกับใจตัวเองดีแล้วเนี่ยเดี๋ยวสติปัญญามันจะค่อยๆเกิดเอง ค่ยๆมองเหตุมองปัจจัยแต่ทุกวันนี้เนี่ยด้วยความที่เป็นเราเป็นลูกของเราเราเป็นพ่อนะเราเป็นพ่อของลูกเราเป็นแม่ของลูกเป็นลูกของเราเนี่ยความเป็นตัวตนตรงนี้เนี่ยมันจะก่อให้เกิดอารมณ์ฝ่ายต่ําก็คือว่าอารมณ์ที่มันไม่ดีทั้งหลายพอเวลาเกิดอารมณ์ที่ไม่ดีทั้งหลายเกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะทําให้ปิดบังปัญญาในการที่จะแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องกระเช้นะตรงจุดนี้เนี่ยเป็นเป็นจุดอ่อนที่เรียกว่ามองข้าม นั้นการแก้ไขปัญหาที่สําคัญที่สุดก็อย่างที่เกลนนําไว้ก็คือว่าต้องมาปรับแก้ที่ตัวเราเรียนเราก่อนนะคะครับนี่จะปรับแก้ที่ตัวเรามันจะปรับตรงไหนก็ต้องปรับที่จิตใจค่ะอะไรจะเอามาปรับจิตใจก็คือสติปัญญาใช่ไหมเราจะมีสติปัญญาในการปรับแก้จิตใจของเราได้อย่างไงก็ต้องอาศัยการฝึกจิตอบรมขัดเกลาจิตใจโดยอาใช้ความรู้สึกตัวนะ เพราะว่าคนที่มีการศึกษาเนี่ยเขาจะได้รับการอบรมเลี้ยงดูมาในลักษณะที่เรียกว่าอ่านหนังสือเยอะคิดให้มากคิดไม่มีเหตุมีผลค่ะแต่ไม่มีโรงเรียนไหนสำนักใดนะในทางโลกเนี่ยที่สอนให้รู้จักหยุดคิดให้เป็นรู้รู้จักออกจากความคิดรู้จักพับความคิดให้ได้คือสอนให้คิดเป็นสอนให้คิดแต่สอนให้หยุดคิดไม่เป็นครับไม่ได้สอนด้วยไม่มีการสอนไม่คิดจะสอนด้วยซ้ำนะคะ แล้วก็สอนไม่ได้ด้วยเพราะอาการก็หยุดคิดไม่เป็นเพั้นมันก็เหมือนกับสอนให้เขาขึ้นรถสิบล้อค่ะนะวิ่งตะบึงไปข้างหน้าแต่ไม่มบอกข้อเบรกอยู่ตรงไหนแย่ yeah, เลยนะครับนั่นชีวิตที่ดําเนินไปเนี่ยแม้ว่ามันจะดูฮัลโหลานะแต่ว่ามันบาดเสียวอันตรายนะครับตรงจุดนี้ก็เป็นจุดที่ไปแลกเปลี่ยนกับคณะอาจรที่<ล>ทคณะสัตว์วาค่ะ นอกจากนั้นแล้วก็คือเรื่องของการทํางานนี่แหละครับอย่างประสบการณ์ตรงของเราก็มีอยู่เรื่องของการทํางานเรื่องของความไม่พอใจเรื่องของการที่เราเห็นคนอื่นทําไม่ค่อยดีแล้วเราก็ไม่ค่อยพอใจเนีย่ยมันความหูความตารหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะค่ะก็เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการที่เราจะเข้าไปแก้ไขแต่โดยสาระสําสคัญก็คือว่าถ้าการแก้ไขปัญหาที่จะให้แล้วเสร็จเนี่ยต้องกลับมาแก้ที่ใจของเราเนี่ยเป็นปฐมเป็นเบื้องต้น ส่วนการแก้ไขปัญหาภายนอกเนี่ยเป็นเรื่องของสมมุติเนี่ยต้องใช้ความคิดตั้งใจคิดเจตนาคิดวางแผนจัดการใช้ความรู้ทั้งโลกนะกฎระเบียบอะไรต่างๆเนี่ยเข้าไปแก้ไขจัดการแต่โดยพื้นฐานก็คือว่าเมื่อเรามีการแก้ที่จิตใจเราพร้อมแล้วเนี่ยมันจะเป็นการแก้ไขปัญหาโดยฐานจิตว่างเป็นอย่างน้อยนะคือใจเป็นปกติใจเป็นกลางหรือถ้ามีความเมตตาอยู่เป็นพื้น ก็จะยิ่งทำให้การแก้ไขปัญหาแล้วนะยิ่งจะลงเอยในสิ่งที่ดีไนงะสังคมของเราเนี่ยขาดความเมตตานะจริงๆแล้วสังคมของเราเนี่ยมีความการุณาสูงนะเพราะถ้าเราดูจากคำาจกความของธรรมะสองข้อนี้เนี่ยลักษณะของเมตตาเนี่ยใช้กับคนที่เป็นปกติอยู่คือมองว่าปกตินะครับแล้วก็เราเข้าไปสร้างเหตุปัใจจัยในบางสิ่งบางอย่างที่ทาให้อ่เขามีความสุขมากขึ้น การุณาเนี่ยใช้กับคนที่มีความทุกข์อยู่คะนะครับแล้วก็เราไปช่วยเขาพ้นทุกข์นั่นสังเกตว่าเวล า, าน้ําท่วมนะแผ่นดินถลม่มนะเกิดคลื่นซีนามี่เนี่ยน้ําใจที่เป็นความการุณาจากของคนไทยเนี่ยจะหลั่งไหลมากมายมหาศาลนี่ว่าท่วมทับใจกันเลยค่ะครับคแต่จริงๆอันนี้เนี่ยไม่ใช่ลักษณะของเมตตานะอ่าเป็นแค่ความการุณาถ้าเราเอาความจํากัดความนะครับ แต่แลักษณะของเมตตาเนี่ยก็คือเห็นคนทั่วๆไปปกติทั่วทวไปนี่แหละแต่เราไม่ค่อยสร้างโอกาสร่วมไม่ค่อยสร้างเหตุปัจจัยร่วมกันในการที่จะทําให้เกิดความสุขขึ้นมาดันั้นสังคมจึงจะดูค่อนข้างแห้งแล้งจืดชืดใช่ไหมเพราะคนไม่ค่อยมีความเมตตาเนะี่ไม่ค่อยมีความเมตตาดันั้นถ้าเกิดความทุกข์ร้อนเกิดขึ้นมาหลยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วในปัจจุบันนี้เนี่ยเรามีความยินดีโดยเฉพาะถ้าเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติเอออะไรเอต่างๆเนี่ยคนไทยจะมีความครุณาเยอะ แต่ขาดเมตตานั้นจริงตรงจุดที่เมตตาเนี่ยพวกนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ง่ายถ้าเรามีใจที่เราเ้าเรียกว่าเป็นกลางหรือว่ามีจิตใจที่มีความอ่อนโยนมีจิตใจที่มีสีมีธรรมเราจะเห็นทุกๆคนเนี่ยเป็นเพื่อนเห็นทุกๆชีวิตเนี่ยเป็นเหมือนกับเราอะไรที่ทําให้เขาเกิดความลำบากเราจะไม่ทําอะไรที่ทำให้เขาเกิดมีความสุขมากขึ้นถ้าไม่เป็นการเบียดเบียนกันแล้วเนี่ย นะหรือว่าเป็นการสุ่มเสี่ยงเกินไปเนี่ยมันก็จะช่วยเหลือกันได้ง่ายขึ้นความสุขเล็กเล็ ก, ลกน้อยน้อยพวกนี้เนี่ยเราสามารถช่วยกันสร้างขึ้นมาได้รอ ย, ยิ้มแม้แต่เล็กน้อยอแต่ละคําพูดนิดนิ ด, นดหน่อยหน่อยหรือว่าของติดไม้ติดมือหรือแม้แต่การที่เราเดินหลบทางให้เขานะขับรถเปิดไฟเลี้ยวช้ายเลี้ยวขวาให้นี่ก็เป็นการให้ความเมตตากับเขาเกิดความสะดวกสบายอย่างนี้ก็เป็นลักษณะของเรียกว่าสร้างสุ ข, ขขึ้นมาได้ แต่บางทีเราคิดว่าเราต้องสร้างสุขเราต้องไปนั่งปฏิบัติทำจะต้องไปทําอะไรเยอะแยะมากมายแต่ว่าความสุขเล็กๆน้อยๆของเราเนี่ยกับมองข้ามไปแล้วจริงๆแล้วเนี่ยความสุขเล็กๆน้อยๆเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะคะถ้าเราทําได้ครับบ่อยๆครับแล้วก็ต่อเนื่องเราโมวแต่จะหวังเงินล้านแต่เรามองข้ามเงินเบี้ยเงินสลึงไปเราก็เลยทุบข้ามปีข้ามชาติกว่าจะเก็บเงินได้สิบร้านเนี่ย <c oughs> นะมันอาจจะต้องใช้เวลาสิบปีแต่เงินเบีเ้ย เ, เงินสลึงที่เราสามารถเก็บไดตามลายทางเนี่ยมันเป็นของที่มันมีอยู่ได้จริงๆสัมผัสได้จริงๆ <c oughs> แล้วก็ไม่ควรมองข้ามมันไป <c oughs> เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเรามาเชิญชวนเพื่อนพ้องพี่น้องคุณธรรมของเราว่าไม่ต้องรอไม่กับโปรเจกต์หรือว่าโครงการอะไรที่ใหญ่โตที่จะทำความดีให้แก่ ก, กันและกันนะคะ <c oughs> ตอนนี้เขาก็มีการรณรงค์ทาดีให้พ่อดูกันคุณหมอคงพอทราบแล้วบ้างนะคะ เราก็มาทำดีให้พ่อของเราดูด้วยกันทำดีเล็กๆล็น้อยนในชีวิตประจาวันของเรานะคะคไอที่เคยทำดีอยู่แล้วก็ทำดีให้เยอะขึ้นไอที่ยังไม่เคยทำไม่เคยคิดก็ลองทำลองคิดดูที่จริงแล้วเรื่องเล็กๆน้อยในชีวิตเนี่ยมีมากมายจริงๆค่ะพอตัวเองเริ่มลองทำนะคะก็ได้เห็นนะคะแม้แต่การเล่นแท็กซี่นะคะคุณหมอ ถ้าเราเรียกแท็กซี่ในจุดที่ไม่เกะกะคนอื่นเนี่ยก็เป็นความดีอย่างนึ่งนะคะใช่ครับแทนที่เราจะเรียกตรงไหนก็ได้ตามอัธยาศัยของเราเนี่ยะคะ่ะก<ช>ารขึ้นรถลงรถอะไรเงี้ยเล็กๆน้อยๆบางทีเมื่อก่อนเราก็จะโดนคนอื่นจเจริญพร อ, อยู่บ้างเราหมดแต่คิดถึงธุระของเราแล้วเราก็ไม่ได้ดูว่าเกะกะคนอื่นไม่ขวางทางคนอื่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะครับก็เนี่ยพอเริ่มทําแล้วก็เริ่มเห็น ว่าเออเอ๊ะเรานี่ก็ยังเบียดเบียนคนอื่นให้คนอื่นเดือดร้อนอยู่ไม่น้อยเหมือนกันนะลองมาเปลี่ยนดูถ่ายังน้อยเราก็ไม่สร้างเหตุปัจจัยที่จะไปริบลอนความสุขของเขาให้ลดลงนะครับใช่ค่ะเป็นสิ่งที่เราสามารถทําได้ทุกเวลาแล้วก็เป็นการฝึกฝนจิตใจของเราด้วยนะคะให้คิดถึงคนอื่นให้เยอะขึ้นครับแล้วมันก็จะเกิดการปกผ่านคือคิดถึงตัวเองน้อยลงแล้วเมื่อคิดถึงตัวเองน้อยลงผลคืออะไรลุงคะคุณหมอการให้ฮะ ค่ะแล้วความทุกข์ในใจเราก็น้อยลงด้วยค่ะเวลาเราคิดถึงตัวเองน้อยลงเนี่ยนะคะคเป็นอย่างนั้นจริงๆริงไคะคุณหมอเรื่องเล็กเล็กเ็ก น, น้อยนี่เป็นสิ่งที่สําคัญแล้วแล้วก็บางทีเราคิดว่านักปฏิบัติธรรมที่ยิ่งใหญ่เนี่ยถ้าทางมาีท่าทีต้องมีโวหา ร, รมีอะไรที่มันดูฟังแล้วไพเลาะสนโอ้โหหรือว่าอะไรตัวนองนี้นะแต่จริงจริงแล้วเราสามารถที่จะเป็นนักปฏิบัติธรรมผู้ยิ่งใหญ่ได้เหมือนกัน ค, ค่ะโดยการเก็บเล็กผสมน้อยทำเรนิดเล่นหน่อย ทำต่อนเนื่องกันไปเดินไปเห็นขยตะตกอยู่เก็บขยะทิ้งในถังหรือว่าแม้แต่ว่าเราไม่เป็นผู้ทิ้งขยะซะเองอะไรอย่างงี้นะค่ะเราอยู่ตามบ้านของเราเนี่ยกวาดพื้นกว่าถนนเนี่ยเราก็สามารถทําได้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินใช้อะไรไม่ต้องใช้เงินเยอะก็ทาความดีได้นะคะใช้ใจของเราเนี่ยที่คิดจะเปลี่ยนโลกใบนี้ด้วยตัวของเราเองดีกว่านะคะค